ปวดข่าอยู่เสมอแกทํางานอยู่ในรีสอร์ทที่เขาหลักออบตอคิดว่าป้าคงตายเป็นคนแรกเลยไม่น่ามีแรงวิ่งหนีภยัยหลังเกิดเหตุอตอบตก็ขับรถไปสํารวจดูชาวบ้านวัดป่าบ้านดอกแดงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับรีบไปเพื่อดูป้าคนนี้ปรากฏว่าไปเจอป้าคนเนี้ยยังอยู่รอดปลอดภยัยป้าแกหนีรอดมาได้แกเล่าว่าก่อนเกิดเหตุซึนามิแกฝันเห็นคลื่นลูกใหญ่น่ากลัวมาก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 กับอีกที่หนึ่งที่น่าอัศจรรย์มากคือวัดป่าท่าใสเป็นวัดป่าที่อยู่ติดทะเลมีพระปฏิบัติอยู่ราวส4สี่รูปในวัดมีพระประธานรวมทั้งรูปหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวด้วยเจ้าอาวาสวินัยทะล่าใฟังว่าท่านมองเห็นคลื่นจากตรงกลางทะเลลูกใหญ่มากแต่พอเข้าใกล้วัดคลื่นยักษ์กลับแยกออกซ้ายขวาอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆที่ไม่มีอะไรขวางพอ